ปัหาอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่ข้าพเจ้าสงสัยเองข้าพเจ้าเดีวเรียนถามท่านว่าเมื่ออ่านดูในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเช่นในคัมภีร์อภิธรรมปิดกในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าอายุ ข, ของพวกเทวดาและพวกพรหมนานเหลือเกินเช่นในคัมภีร์กล่าวว่าห้าร้อยปีมนุษย์จึงจะเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราช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 และเมื่อกล่าวถึงอายุของพวกนรกก็กล่าวไว้ว่าคนตกนรกนานนับเป็นหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนปีอย่างนี้เป็นต้นทำให้ข้าพเจ้าสงสัยมากว่าเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าท่านดิเรุณาตอบให้ทราบดังต่อไปนี้สำหรับในสวรรค์การที่ในคัมภีร์ไดกกล่าวไว้ว่าวันคืนของพวกนี้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 ก็มีแสงสว่างออกมาชัตัวแต่อย่าลืมว่าผู้ที่มองเห็นแสงสว่างนี้คือผู้ที่อยู่ในโลกนี้ตาของมนุษย์ไม่อาจจะเห็นได้เพราะฉะนั้นแม้ในโลกมนุษย์เองในเวลากลางคืนในทินที่มีโอปปาติกาอยู่ถ้าดูจากสายตาของมนุษย์ก็บอกว่าสถานที่นั้นมืดแต่พวกที่อยู่ในโลกนั้นเขาเห็นโลกมนุษย์มือจริง แต่โลกของตัวเองสว่างเนื่องจากในสวรรค์มีแต่ความสว่างและมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้คำนึงถึงวันและคืนเดือนและปีและผู้ที่จะรู้ว่าตัวเองได้อยู่สวรรค์มานานเท่าไหร่ในเมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์นั้นก็ต้องเป็นพวกที่มีความสนใจต่อความเป็นไปของมนุษย์จึงจะรู้ว่าตัวเองอยู่มานานแล้วเท่าไหร่ สำหรับผู้ที่ไม่สนใจกับโลกมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่มานานแล้วเท่าไรในโลกนี้รู้แต่ว่าตัวเองได้อยู่มานานมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันที่จริงเรื่องของเวลาก็เป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นโดยกำหนดระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งดยกฎอันนี้ถ้าจะนับเวลาตามที่กาหนดไว้แต่ละภูมิ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 เช่นพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อตายแล้วตกนรกนับตามเวลาในโลกมนุษย์ก็เพียงเจ็ดวันเท่านั้นใครจะอยู่ในโนรโกนานหรือไม่นานโดยคิดตามเวลาในโลกมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับวิบากหรือสันดานของคนคนนั้นกล่าวคือถ้าหากคนไหนโดยปกติมีพื้นจิตใจสูงเคยมีความคิดถูกต้องเคยรู้จักผิดรู้จักถูก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 หรือการได้รับทุกข์ทรมารในเมือ ง, งรกรบเกิดขึ้นได้อย่างไรข้าพเจ้าได้เคยเขียนมาแล้วขอให้กลับไปย้อนดูจากตอนที่ผ่านมาแล้วนั้น